ส่วนในประถมสังคัยหาสูตรเนี่ยนะสูตรนี้ก็เนื้อหาดีดในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายภาษายตนาหกประการนี้ที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระ ว, งวังแล้ว ย่อมมาซึ่งทุกหนักหรือว่าย่อมนํามาย่อมนําทุกหนักมาให้ถ้าถ้าไม่สํารวมไม่ระวังนะจะนําทุกหนักมาให้ทุกในที่นี้หมายถึงอะไรอรรถกถาท่านบอกว่าทุกในนรกเป็นต้ น, น, นนะภาษายตนา6ประการนี่เป็นไงคือหูจักสุโสตคานะชิวหากายมณนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ ที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้ก็นำทุกข์ในนรกเป็นต้นมาให้เนี่ยนะที่มาบินว่อนเนี่ยก็เป็นอนิสงส์ที่ไม่ไม่อะไรไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมตาหูจมูกลื้นกายใจในอดีตนั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยให้เนี่ยนะทีนี้ในขณะเดียวกันมาบินว่อนอย่างนี้อีกก็ไม่สำรวมอีกอยู่ดี นะก็เพื่ออะไรก็เพื่อมีตาหูจมูกลิ้นกาใจนะครับทุกเราเรล่านีก็เป็นอย่างนี้แหละดูกวามพิสูนทั้งหลายภาษายตนาหประการนี่แลที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้แต่คำว่าฝึกทันตะเนี่ยนะฝึกฝึกยังไงฝึกไปจ้องอะไรสักอย่างใช่ไ มีหูก็ฝึกไปจ้องอะไรหรือมีหูเอ่อมีมีหูเนี่ยเงี้ยฟังสักอย่างหนึ่งนะหรว่ามีจมูกไปเที่ยวดม้ฝึกยังไงฝึกฝึกลิ้นเนี่ยฝึกยังไงเอามันกดเพดานมากขึ้นฝึกกายแล้วฝึกยังไงกันเนี่ยฝึกผมทำไงดีฝึกฝึกใจอ่ะนะฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกยังไงถ้าสิ่งนั้นในฐานะทุกขสัต์ก็ต้องฝึกด้วย ปริญญากรีดเนี่ย น, นะมันช่ว่าไปฝึกแบบเ อ, อ้เนี่ยไปตากแดดมันจะได้รู้จักทุกงี้ม่ใช่ก็ ฝ, กฝึกฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจะนะในส่วนที่เป็นทุกข์ษัตริย์ก็ฝึกด้วยปริญญาสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาก็ต้องฝึกด้วยอะไรถ้าตัณหาจะเกิดนะก็ฝึกด้วยนี่แหละสีลสังวรสติสังวรญาณสังวรหรือที่เรียกว่าปัญญานะก็ได้นะ ฝึกด้วยตทางข้าประหารวิขำพนะประหารสมุทเฉท้าประหารถ้าจะฝึกเนี่ยนะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกยังไงฝึกด้วยวิขำพนะประหารฝึกด้วยสมถะนั่นเองนะนะก็คืออาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อเจริญสมถะถ้าฝึกด้วยตทางข้าประหารก็คืออาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะทีนี้ถ้าฝึกทั้งสมถะเอ่อเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนานั่นแหละจะเป็นไปเพื่อ สมุดเฉทประหารเพราะฉะนั้นฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือฝึกด้วยเนี่ยปะหานะปริญญาเออปะหานะแล้วก็ถ้าถ้าจะเรียกว่าคนฝึกจริงอ่ะนะก็ต้องรู้สิ่งที่สงบระงับจากสิ่งเหล่านี้ใช่จริงจะเรียกว่าผู้ที่ฝึกสำเร็จแล้วนั่นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ฝึกอย่างที่กล่าวเนี่ยนะถามว่าเป็นยังไง เนี่ยอย่างสัตว์ที่เราเห็นทั้งหลายหรือว่าเนี่ยเรานั่งกันดูกันไปกันมานี่แหละคือผู้ที่ผลของการไม่ฝึกทั้งนั้นแหละเนี่ยนะทุกทุกไหเนี่ ย, ย, ย, ยคื อ, อ, อคือถ้าตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะในฐานะเป็นทุกขสัตว์ถ้าเป็นทุกขสัตว์ก็ต้องฝึกด้วยปริญญาเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยสัตว์ก็ต้องฝึกด้วย ปะหานะเนี่ยนะนะทีนี้ข้อปฏิบัติทั้งที่เรียกว่าไปทำปริญญาอะไรมาทำล่ะเนี่ยนะนะตัวที่มาทำปริญญาตัวที่มาทำปะหานะก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขาหรือสมถาวิปัสสนานะั่นแหละเป็นตัวที่มามาจัดการมาปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเข้าจริงๆแล้วตัวตรงๆของตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี่เป็นทุกขสัตย์เนี่ยนะนะ แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าคนที่เข้าใจไม่ถูกต้องเอ๊ะฝึกตาทํำยังไงนั่งหลับตาตลอดเลยไม่ต้องไปดูอะไรสักอย่างหรือว่าไปเที่ยวดูให้มันอิ่มดูให้มันพอเลยว่าเอาไงดีสรุปทําไงดีคุณบัรจุจะไปหลับนั่งหลับตาอย่างเดียวหรือไปเที่ยวดูให้มันพอเอาไงจริงจะถูกไหมนี่เอาเลยเอาไงเนี่ยใครนะ่ยไงดีคุณนภา ทำไงดีมันหลับตาก็ไม่ใช่ลืมตาไปเที่ยวดูให้หมดทุกเรื่องก็ไม่ใช่อีกเอาไงหนึงแล้วเอางี้เอาทวารใจดีกว่านะทวารตาชินกันมากๆแล้วเอาทวารใจก็ได้เออเนี่ยหรือว่าเลิกคิดทุกเรื่องเลยอย่าไปคิดมันหรือว่าไปเที่ยวคิดทุกเรื่องคิดให้มันพอคิดให้มากๆเข้าไว้หรือเอาไงดีก็ต้องตอบว่าถ้าบาปนะอย่าไปคิดมัน อันนะ่ะถ้าแต่ถ้าคิดด้วยบาปนะห้ามได้เป็นดีนะห้ามเถอะเขาก็มีนะเขาบอกว่าพระพุเทอเจ้าเป็นคนช่ง า, า, นางเผาผลาญประมางั้นเออถูกแล้วถูกแล้วเราเนี่ยช่างเผาผลาญบาปอากุศลทุกชนิดราคะโทสะโมหะเราเผาผลาญหมดเลยอันนะี้ทีนี้ถ้ามันถ้าเราถ้าจะห้ามอยากคิดก็คืออยาบาปเนี่ยคิดด้วยอํานาจบาปเป็นสมุทฐานอยาคิด แต่ถ้าควรคิดให้มากใช่ไหมบอกใช่แต่ต้องคิดมีข้อแม่นะคิดด้วยทุกมักกะสั์เป็นต้นเนี่ยคิดเป็นไปกับศีลสมาธิและปัญญาถ้าความคิดที่เป็นไปกับไตรสิกขาอันนี้คิดให้มากอนนีมีไยความคิดที่เกิดร่วมกับศีลแล้วเสียหายไม่มีความคิดที่เป็นไปกับส ม, มะถะทั้งหลายที่เป็นคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามาสร่งความเสียหายก็ไม่มีอีกนั่นแหละ แต่คิดคิดว่าโอ้เนี่ยคิดมากๆว่าตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงกายอตาหูจมูกลิ้นภายในไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจนตาหูจมูกลิ้นภายนอกคนอื่นนะนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแมลงที่มันบินเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยคือคิดแบบคนเข้าใจเนี่ยนะอันนี้พูดเป็นตัวอย่างให้เฉยเน่ยนะถามว่าถ้าคิดมากๆานั่งคิดทั้งวันยืนคิดเดินคิดนั่งคิดนอนคิดเนี่ย เอาแค่รกว่าเอาความคิดอย่างเงี้ยเท่าเท่ากับคนที่ไปคิดอะไรที่เขาชอบคิดเรื่องนั้นๆนะะคิดอย่างงี้ด้วยความสุขกับการคิดอย่างเงี้ยถามว่าดีหรือไม่ดีมีโทษหรือไม่มีโทษดีนะสาธุก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่จะให้ไปคิดอย่างงี้แน่นอนคิดไปเถิดอยังไงคิดให้มากแต่ถ้าคิดด้วยบาปนี่อย่าไปคิดนั่นแหละก็แบ่งถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยควรคิดหรือไม่ควรคิดก็บอกบาปไม่ควรคิดบุญเนี่ยควรคิด สมถาวิปัสนาเอาไปคิดให้มากๆเถอะมีจิตมีใครที่รับรู้โดยที่ไม่มีจิตบ้างนะ น, นี่ยกจิตขึ้นเป็นประธานรอกนะนะแต่ถ้าจิตที่มันไปคิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยถามว่าตอนแรกเนี่ยใช่เป็นวิญญาณเจริยาอาวชนะนะอาวนะที่คิดว่าตาหูจมูกเล้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นวิญญาณเจริยาแล้วชาวนะมันก็ตามมาเองแหละเดี๋ยวปัญญามันตามมาเองแหละขอให้วิญญาณเจริยามันนําไปเถอะเนี่ยนะนะ สำคัญว่าแม้มันไม่น้อมไปจะไปคิดเนี่ยตรงนี้แหละมันยากจิตตายนี่ยเงสิ่ี่ไม่ควรคิดใช่ไหมครับเควรจะห้ามคิดจิตตายมันเป็นยังไงว่าให้มันจบสิ <c oughs> พูดแล้วก็ใีที่มาที่ไปว่าให้มันเป็นเรื่องไม่รา <c oughs> เป็นงไงมีสมจาไม่ได้หมดมีสัพัา ย, ยุกยานดวงพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็คิดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลอะไรนี้ มันมีกี่ข้อผมจำไม่ได้มนะันไม่อาจินตามันคนละเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่กําลังพูดอยู่เลยคนละประเด็นกันครับนเองมันเรื่องที่คิดเนี่ยนะสําคัญอย่างคิดตามคําสอนเนี่ยถ้าจําได้มากๆสูตรเนี่ยสมมติถ้าคุณมุนชูเนี่ยจําได้ห้าสิบสูตรแล้วคิดแต่พระสูตรอย่างเดียวเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษกับนั่งคิดถึงประวัติตัวเองเนี่ยไปคุยกระครมาบ้างนะ ไปกินที่ไหนไปดื่มที่ไหนไปเมาที่ไหนมาแล้วนะท้อทวนให้หมดเลยอย่างเงี้ยกลับคิดแต่พระสูตรอันไหนดีกันอย่างเงดีกว่า ห, านหน่างกนนั่งมากไว้เพิ่อนแตนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นง่ายๆหรอกเพราะว่าไอ้ที่เคยคิดไว้ก่อนจะไปเอาไว้นะไหนนะความคิดเหล่านั้นก็จะเป็นตัดใจให้มามาคิดอีกเนี่ยนะไปเที่ยวไหนอะคิดหมดคิดได้หมดอนะันนี้ มีไหมอยู่ๆแล้วผู้การคิดถึงสมัยที่เรียกว่าแทบไม่เคยคิดถึงเลยนะอยู่ๆมันนึกเกิดเนึกขึ้นมาได้อยู่แล้วมันคิดขึ้นมาคนเดียวมันมีไหมบ่อยเหตุจำมันมองมาเนี่ยยังนึกเลยนะสมไมที่พักที่ท้ายสวนผู้การธนัทเนี่ยเราก็ไปอยู่ได้ยินพวกเสียงสัตว์เนี่ยนะมันร้องนะเราอยู่ท้องนามาสักสิบกว่าปีได้ ไม่่อยไม่่อยชอบอยู่ในหมู่บ้านจะไปอยู่ที่ท้องนานะะไปอยู่กับปูพีที่ที่ ท, ท, ทเสียงนาในทุ่งนาไปเดินอยู่ตามท้องนาอนะะแล้วเสียงสัตว์มันจะร้องเหมือนกับออ ท, ที่บ้านทุกงานทนัดอเงนะะแตและเวลาเราฝันก็ฝันอยู่แต่แต่ท้องนาอย่างเรยวด้ <c oughs> วยเอะเพราะมันได้อุปนิสัยอนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าท้องนาเป็นพันธุ์ไร่แถวนั้นนึกได้หมดอ่ะไอที่ พระไตรไปดกไหมนะตั้งเก้าสิบเ็ดเล่มเนี่ยนะท่าคิดอย่างนี้มากๆสายจะดีมากนะัมืนะเป็นนั่งนึกอันนั้นโอ้เสียเวลาชีวิตไปตั้งหลายสิบชั่วโมงเหมือนกันนะึเพราะนั่นเอกการคิดถึงอริยสัจเนี่ยนะคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามคําสอนอันนี้มีประโยชน์มากถ้าคิดไม่เที่ยงมากๆมันจะมีผลยังไงคิดเป็นทุกข์มากแล้วจะมีผลยังไงคือสมมุติท่านไหนๆว่าเออรู้แล้วว่าคิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของดี นะเพระเราพูดมาเยอะแล้วใช่ไหมโอ้ดีนะไปคิดมากๆเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกแปดหน้าตาถ้าคิดมากๆแล้วมันจะดียังไงมันจะมีผลยังไงอานิสงส์ของการคิดถึงเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาคือคือทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีกำไรหมดอนะนะแล้วกําไรอันนี้กำไรบุญอันนี้มันจะให้ผลเป็นยังไงใครดีมณฑปว่างไงอ๋อละวิปลาสาลาสีอ๋อนะเอามณฑปได้หนึ่งอย่างจังเกสสอน อ๋อทำให้เกิดเบือ่อหน่า ย, ยอ๋อตอนนี้ก็เป็นนะชีวิตชักไม่ค่อยสนุกเลยนะ อ, อ่าแล้วไม่สนุกแล้วมันไม่ไม่ไมแย่หรอคะ น, นี้ <c oughs> มันสรุปว่าเอ้ไม่สนุกกับสนุกอันไหนดีกกันอ๋อเจนพอไอแบบนั้นไม่ค่อยสนกุก น, นะมีของสนุกอย่างอื่นแทนอ่าเดี๋ยวอ๋อไม่นึกเบื่อไปหมดเลยไม่ใช่นะในคนเหนือคุณบุญชูคิดไม่เที่ยงเป็นทุกแงนหน้าตามากๆจะมีผลยังไง อ๋อจะเริ่มคลายกำหนัดนะเมื่อเบอร์นายก็คลายกำหนัดนะคุณาอาเรถ้าเบอรมากมากแล้วมันจะไปไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกแป็นหน้าตามันจะดียังไ ง, ไ ง, ไงอ๋อทุกน้อยลงอ้าวก็คิดว่ามันเป็นทุกแล้วมันทุกน้อยลงนั่นยังไงอ๋อมันรู้จริงใช่ไหมมันก็เลยไม่เข้าไปทุ ก, ก น, นะเนยคนอื่นมาเงาไงคุณทัลิน อ๋อถ้าคิดไม่เที่ยงเป็นทุกแปรนาตามากๆกิเลสน้อยลงนี่หมอรถหลับตาเลยว่างไงดีถ้าคิดมากๆเป็นยังไงคิดไม่เที่ยงเนตะตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนนาตาด้วยนะคิดมากๆมีอา น, นิสงส์ยังไงคนละเรื่องเลยคุณณีเนี่ยนะ กลับทำไมมันกลับได้ร้อยแปร้อแปดสิบองศาเลยแล้วเนี่ยไปคุยกับคุณมุลมีแล้วจางเกสุดาอ๋ออ๋อหลุดพ้นนะนะมันหลุดพ้นยังไงคะนี่เอาเมื่อรู้ไม่เที่ยงมากๆเขวามันหลุดพ้นอะไร อ๋อว่าจะเอาชาดสินแล้วผมอาจันอยู่จบแล้วเลยนะเอาขนาดนั้นเดี๋ยวให้ผู้การสรุปกัแล้วกันจับสลากกันเอานะคู่หนึ่งเน้นนะจับสลากกันเอาว่าใครสรุปน่าจะดูว่าจะสรุปยังไงนะ จะจะดูว่าจะสรุปยังไงดีอันนะสรุปว่าตัวที่เข้าไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเห็นไหมคูณอะไรเข้าบ้างต้องคูณอะไรด้วยใจมินิดเมื่อพูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องไปคูณอะไรอีกคูณอะไรห้าอ๋อคูณเจตสิกห้าไม่ใช่ คูณเนี่ยนะติกะแรกเรียกว่าอาตีตะติกะเนี่ยนะคูณอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่คนนำมาคิดก็คือภายในกับภายนอกเนี่ยนะอันนี้ต้องต้องเอาไปคูณเสมอเลยน่ไม่ใช่ว่าเออตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงตาที่ไหนล่ะ ขันวัตถุที่เราจะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงวัตถุนั้นต้องชัดเจนเนี่ยนะไม่ใช่นึกถึงคําว่าตาแต่หมายถึงมีตาจริงๆนึกถึงตาจริงๆเลยคือจะเอาตาปูตาปลาตากุ้งตาแมวตาอะไรมาคิดก็เอาเหอนะให้มันมีตารองรับว่าตาไม่เที่ยงเออให้มันมีตารองรับไม่ใช่คิดถึงคําว่าตาที่ไม่เที่ยงนันะเออเนี่ยตาสุนัขตัวนั้นอ่ะมันเน่าไปแล้วตาพันตาจึงไม่เที่ยงอย่างเงี้ย หรือว่าเนี่ยตาที่ตัวนั้น่ะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอดแล้วเนี่ยนะอีกมันใช้ได้ไม่กี่ปีหรอกก็ไม่เที่ยงว่าคำว่าไม่เที่ยงให้มีวัตถุรองรับทีนี้ถ้ากระจายได้มากเท่าไหร่ก็เป็นดีแต่ว่าโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือกับวัตถุภายในทีนี้ต่อไปอีกอะไรทั้นที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเอ่อตัวตัวนี้เป็นทุกขสัตว์ใช่ อตอนต้นชั่วโมงเราพูดว่าพวกนี้เมื่อเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอ่ะต้องมีตัวอายุหนะอายุหนะก็คือกรรมที่ปรุงปรุงให้วัตถุเหล่านี้เกิดนั้นถ้าพูดอายุหนะนิทานปริพ o o t สังโยชน์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะตัวสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่เราก็มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยอนิจจัง ทุกขังอนัตตาพันธาเจริญอย่างถูกต้องสามสามประการนี้ดีผลก็ต้องเป็นนิพพทาตามที่กล่าวนั่นะเนี่ยนะนิพพทาก็วิราคะถ้าวิราคะก็คือนิโรดนิโรดเนี่ยไอไอคำเนี่ยตรงกันข้ามกับคำนี้เพราะมันไม่ต้องการสร้างอีก นะไม่ต้องการสร้างอีกเพราะอะไรเพราะเห็นภัยถ้านิโรธที่บริบูรณ์ก็อะไรปฏินิสขะปฏินิสขะเนี่ยแปลว่าต้องการสละแล้วนะสละสละที่เพื่อจะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างน้อยเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจในอบายก็ไม่ปรารถนาก่อนใช่ในภพที่แปดเนี่ยนะมันเข้าสลัดออก เรีว่าสลัดออกจากปวัตตาอย่างหนึ่งสลัดออกจากนิมิตตาถ้าสลัดออกจากปวัตตาก็คือสลัดออกจากกิเลสเนี่ยนะสลัดออกจากวัตตาสงสารน่ะ น, นะการปฏิสนธิในภพต่างๆก็เท่ากับสลัดออกจากขันนั่นเอง แต่ว่าตรงนี้เนี่ยสลัดออกจากสัสงขาร น, นิมิตสลัดออกจากสังขาร น, นิมิตเท่ากับมีอะไรเป็นอารมณ์เมืม่อออกจากสังขาร น, น, น, นะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสังขารเรียกว่านิพพานนนะปฏินิสัก้ะอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้เป็นอารมณ์ของอริยมรคน ะ, อะขออะไรเป็นปัจจัยแกอริยมร์อริยมร์ ม, มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วทำหน้าที่สลัดออกจาก สิ่งเหล่านี้ทีนี้เขาจะมีเงื่อนไขว่าผู้ที่เจริญเนี่ยสามตัวนี่เป็นตัวยืนพื้นอนนย่างไงก็ต้องอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตาแต่อานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอาจารย์ จ, จะสอนจาโตกับปารโตถนับอะไหนอ๋อเดี่ยวแกมกับผู้การเลยผู้การเขาชอบปารโต เราตัวอย่างล้ว like sí. ่ารถคิดชอบรถบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเดือดร้อนอะไรกับเขาอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าไม่ใช่กำลังจะชมอันนะไม่ได้ตำเหนียอะไรหรอกเพราะว่าเป็นผู้มากไปด้วยเวทะเท่ากับความรู้นั่นเองพวกนี้เนี่ยเพื่อที่เจริญณาตามมากพวกนี้เป็นพวกคนมีความรู้สูงมากแต่ถ้าเป็นคนที่ความรู้ไม่มากแต่เออยอมรับอย่างหนึ่งคือมันไม่เที่ยง พวกนี้จะมากไปด้วยอธิมโมกพวกนี้ศรัทธามี น, นะผู้ผู้อธิมโมกดีเนี่ยจะมีศรัทธาเนี่ยมีกําลังสัตทินรีเนี่ยดีผู้ที่มากไปด้วยเวทะความรู้นะปัญญรีจะดีนะแต่ก็มีของเราที่ใครชอบทุกขลักษณะเออเรียกว่าพิจารณาเห็นทุกเนี่ยมาก หมอยิ้มเลยแสดงว่ามีอัธยาศัยหมออันนี้จังทุกขงกังอนนตาอันไหนถนัดกักนทุ ก, กันนะแสดงว่าตัวนี้มากไปด้วยสมาธิอันนี้ส่งจะได้สมาธิซีเนี่ยนะก็ปัสสัิที่นั่นเองตัวนี้เทรว่ามากไปด้วยปัสสัตที่นะแล้วอินรีจะมีกำลังคือสมาธิซีเนี่ยนะ เธอเจริญอนุปัสนาเหมือนกันนะแต่จะมีความต่างกันก่อนบางคนเนี่ยน้อมไปด้วยอธิโมกมากเพราะเขาเห็นอ น, นิจจงมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ทุกขังอนัตตาแต่ไม่ถนัดเท่ากับอ น, นิจจ์เนี่ยเขาจะมากด้วยอธิโมกบางคนเนี่ยมากไปด้วยปัสสัทธิก็คือเขาเห็นทุกข์มากน้อมไปเพื่อปัสสัทธิบางคนเนี่ยเห็นอนัตตามากก็น้อมมากไปด้วยเวทเนี่ยนะทีนี้พวกสมาธิพวกเนี่ยจะมีกําลังมากจะทําให้ อีกชื่อหนึ่งวิโมกจานเตสุดาว่าไงนะหลุดพ้นเลยใช่ไหมวิโมกอะแต่ว่าหลุดพ้นแหะแปลว่าผู้ที่มากไปด้วยสัพทินรีเนี่ยจะได้อานิมิตตาวิโมกอย่านีผู้ที่มากไปด้วยสมาทินศีเนี่ยจะได้อัปปนิหิตาวิโมกอย่านะี้อันนี้เป็นชื่อของอริยมรักนะผู้ที่มากไปด้วยปัญญินรีเนี่ยจะได้สุญญตาวิโมก นี่ไงท่านก็พ่านตามโครงสร้างอันเนี้ยนะท่าน ไ, ไ, ไอไออ น, นิจังทุกขังอนัตตาเบื้องแรกๆกันนะถ้าถ้าคนที่รู้อา น, นิจังทุกขังอนัตตาจริงอะ่ะคุณธรรมเหล่านี้จะมีนี่ไงคุณธรรมเหล่านี้จะมีจริงๆริงอันท่าผู้ที่ศึกษาไม่ดีนะพูดอา น, นิจังทุกขังอนัตตาฟังแล้วไม่เห็นไม่เห็นมันพิเศษอะไรอะไรอะไรก็อา น, นิจังทุกขังอนัตตาไปหมด อันนะัซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าเจริญตัญญาจริงนั่นอ่ะนะถ้ามากไปด้วยอา น, นิจจังจริงๆอ่ะนะอธิมโมกจะมีกําลังถ้าใครพิจรารณาอา น, นิจจังมากอธิมโมกมีกําลังถ้าใครพิจารณาทุกมากปัตสัตที่คือความสงบมีกําลังถ้าผู้ใดพิจารณาโดยความเป็นอนัตตามากเวทะคือความรู้เนี่ยมีกําลังหรือจิตของเขาเนี่ยเอียงไปด้วยอันนะนัตัวตัวนี้เป็นความโน้มเอียงก็ได้นะตัว นอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมากไปด้วยก็เท่ากับกลุ่มกลุ่มบอกถึงจริตอะนะเหมือนกับท่านทางน้ําไหลอะนะแสดงว่ามันโอนไปแบบนั้นผู้พิจารณาที่ด้วยศรัทธา ม, มากจิตของเขาเนี่ยโอนไปในแง่อธิมโมกถ้าพิจารณาด้วยทุกข์มากเอ่อจิตของเขาจะน้อมเอียงหรือโอนไปในแนวปัสาัตทิเนี่ยนะนี้ถ้ามากไปด้วยอนตตาพวกนี้จิตก็น้อมโอนไปแบบ ทางเดินมันลึกนะพวกนี้ก็จะเป็นโอนแบบ เ, เวทะหรือความรู้น้อมไปเพื่อให้เกิดความรู้และมีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นอ น, นิจจงมากเห็นโทษของนิมิต น, นะฮะจะมีชื่อหนึ่งว่านิมิตผู้ที่พิจารณาทุกมากจะเห็นโทษของปวัตตะ นะอีกเชิดหนึ่งนะปะวัตตะถ้าผู้มีปัญญามากหรือพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาจะเห็นโทษทั้งนิมิตและปะวัตตะคําว่านิมิตคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะเรียกว่านิมิตนะนะีคือในความเป็นขันนิมิตพัะคนที่พิจารณานิจังมากก็เห็นว่านิมิตไม่ดี อ น, นะตาหูจมูกเล่นกายใจยเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงถ้าพิจารณาปวัตตนะโอ้โหมีตานะีมันเดือดร้อนตลอดเลยนะชีวิตเนี่ยมีหูก็เดือดร้อนเพราะหูมีจมูกก็เดือดร้อนเพราะจมูกอันนี้พวกนี้พิจารณาโดยปวัตต์ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะหรื อ, อที่เรียกว่าใคร่ครวญโดยสภาพเป็นอนัตตาจะมองเห็นทั้งนิมิตและปะวัตะ น, น, นะ่ยนะ พันธาถ้าศึกษาเฉพาะในพระสูตรนะถ้าใครที่ศึกษาพระสูตรไม่ดีเนี่ยก็อ่านแล้วจะว่าขันธวรวะกหรือสลายยตนาวักก็ไม่มีอะไรก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาอ่านแล้วไม่เห็นมีอะไรในนั้นเลยแต่จริงๆแล้วพระองค์ประกาศสิ่งเหล่านี้โดยอ้อมเนี่ยนะจริงๆนะเป็นความซ่อนลึกอยู่ในนั้นแต่เป็นกุศลสายมรรคสัตว์จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะพันธาผู้ที่เข้าไปรอบรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตานะ คุณธรรมเหล่านี้จะต้องเกิดในตัวตนะจึงจะเชื่อว่าพิจารณาถูกต้องทีนี้สรุปว่าไงดีรู้ เห็นยังไงผูกนันคือเมื่อเมื่อ <c oughs> เมื่อนําตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะครับมามาทําปริญญานี่นะเมื่อมาทําปริญญาเนี่ยแล้วไอการทําปริญญานั่นแหละเราจะเห็นสมมุติว่าเราเห็นความเป็นอนิจจังก็ดูจากก็ดูจากปัจจัยมันนั่นแหละ นะซึ่งแต่ละปัจจัยเนี่ยมันก็มันมันจะแสดงเองเลยว่ามันไม่ยั่งยืนมันไม่ถาวรมันมันมันเห็นอนิจจังนั่นเถอะแต่เมื่อเห็นอนิจจังแล้วก็มาเห็นอนัตตก่อนนะผมผมนึกผมผมตามความเห็นผมผมนะพอเห็นอนิจจังแล้วเนี่ยนะครับคือมองเห็นเลยว่าในตัวปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสิ่งอะไรที่ไปไปเป็นเป็นตัวทําให้มัน เป็นเป็นเป็นตานอกจากปัจจัยแทนที่จะมาเห็นทุกข์นะกลับมาเห็น อ, อนัตตานี่นะผู้มีปัญญาเขาก็เป็นแบบนี้นะคือผู้มีปัญญามากก็จะอนัตตาอย่างเดียวกนะ็คื อ, คอสิ่งนี้นะก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะมันเป็นความโน้มเอียงของจิตอยู่แล้วว่าสมมติถ้าฝนตกนะถ้าฝนตกเนะี่ยตรงไหนน้ำมันร่องลึกมากนะน้ำมันก็จะไหลไปตรงนั้นโดยธรรมชาติของมัน ฉันใดผู้ที่พิจารณายกตัวอย่างอย่างกล่าวว่าพิจารณาความตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยบางคนเนี่ยถนัดที่จะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงใส่แล้วก็ไม่เที่ยงไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะอย่างถ้าเขาบอกว่าไม่เที่ยงด้วยเป็นอนัตตาเขาก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้สุกจริงโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติแต่เขาไม่ถนัดที่บอกว่ามันเป็นทุกข์นั่นนะก็ผู้ที่อ น, นิจจังมากมากนะหรือ ความเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งคือพวกนี้นะพิจารณาโดยนิมิตนี่เป็นอะไรนะกลนนุ่มอนิจจังไหมปวัตตะเป็นกลุ่มทุกขังถ้าอนัตตาล่ะอนัตตก็จะมองเห็นทั้งนิมิตกับปวัตตะนิมิตคืออะไรนิมิตคือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเรียกว่านิมิต ประวัติตาคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะที่มันเป็นไปอย่างตลอดสายเนี่ยนะคือประวัติตาผู้ที่พิจารณาอนิจจงนะคือจะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนเรียกว่ารู้นิมิตผู้ที่พิจารณาความเป็นไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นไปกี่ปีดีไม่ถามลูกการกนะ็ต้องตอบประมาณ75คนอื่นนะกี่ปีดีจากเกศสองก็จะเจ็ิบหคุณอาเรียเท่าไหร่ดี อแล้วแต่มันแต่เอาล้นตะบันน้ำกินหรือเปล่าลมวก็